แผนการศึกษาธรรมะทางจิตโดยหลักธรรมชาติมีผู้กราบเรียนถามลุงพ่อว่าวิธีเดือนจงกรมทำอย่างไรบางสำนักก็สอนว่าให้กำหนดว่าก้าวซ้ายก้าวขวาบางแห่งก็สอนให้พุทโธพุทโธเร็วๆลุงพ่อให้คำอธิบายว่า วิธีทำเอาง่ายๆคุณไปทำงานคุณเดินบ้างคุณนั่งบ้างเวลาคุณเดินไปส่งงานจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นคุณกำหนดใจว่าคุณเดินจงกรมเอาสติตัวเดียวว่าคุณกำลังเดินถ้าหากว่าคุณไม่นั่งรถไปทำงานคุณเดินจากบ้านคุณไปทำงานคุณกำหนดสติรู้ว่าฉันกำลังเดินจงกรมเอาสติกำหนดรู้ว่าเราเดินอย่างเดียว แต่ไม่ต้องเอาสติไปไว้กับการก้าวเดินกําหนดรู้ที่จิตของเราอย่างเดียวว่ากำลังเดินอยู่ในเมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่พอเรารู้จิตของเราเอาไว้จากนั้นเราทำอะไรจิตเขารู้เองเดินนั่งนอนยืนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นสมาธิเป็นเรื่องของจิต เมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสถานที่แห่งใดเวลาใดเราได้ปฏิบัติสมาธิทุกขณะพุทโธสมมาอาระหังยุบหนอพองหนอไม่ต้องไปท่องเอาสติตัวเดียวรู้จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเวลานั่งอยู่กำหนดสติรู้จิตอย่างเดียวถ้าจิตนิ่งปล่อยให้นิ่ง ถ้คิดปล่อยให้คิดไปเลยเอาสติตัวเดียวรู้รู้รู้ตามรู้ไปแต่อย่าไปช่วยมันคิดปล่อยให้จิตคิดเองแล้วก็ไม่ต้องไปว่าคิดหนออะไรหนอทั้งนั้นแหละรู้อยู่ในทีเฉยๆกําหนดรู้ไว้เท่านั้นแม้ว่าจิตจะฟุ้งซ่านไปฟุ้งไปอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคิดแล้ว รู้สึกว่าคิดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดแล้วปล่อยวางคิดแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านไปอันนี้จิตมันเป็นปกติทีเนี้เมื่อคิดแล้วติดปับ๊บยินดีปับ๊บยินร้ายปับ๊บเราก็รู้ความจริงของจิตของเราว่ามันยังมีความยินดียินร้ายทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดสุขเกิดทุกข์ เพราะความคิดนั้นเราก็รู้ผลของมันมันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลในขณะจิตเดียวนั่นแหละนี่แหละคือแผนการศึกษาธรรมะทางจิตโดยหลักของธรรมชาติพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาอย่างนี้พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเนี่ยแกจิตอาจารย์มาบัญญัติเอาทีหลังที่แบบปฏิบัติกรรมฐานมันมีหลายแบบหลายอย่าง เพราะพระพุทธเจ้าสอนคนหลายคนปัจจุบันนี้เรามาถียงกันอยู่เพียงพุทธโธสัมมารอารหังยุบหนอพองหนอหลักฐานพยานในคำพีพระไตรปิฎกนายคนหนึ่งถือขวานถากไม้โปกโปกๆๆกกำหนดสติเรื่อยไปเพราะถากไม้เสร็จเอาไม้มาเลงดูไม้นี่มันคดคดงองอเรามาตกแต่งแล้วมันยังสวยงามได้ กายใจของคนเราเนี่ยเราจะตกแต่งให้มันงามไม่ได้เหรอพอนึกเท่านั้นจิตวูบไปสว่างขึ้นมาได้สำเร็จอรหันที่นี้พุโทโธเราก็ไม่ได้นึกสัมมาอรหังไม่ได้นึกยุบหนอพองหนอไม่ได้นึกมันจะเป็นการภาวนาอย่างไรจะเป็นนึกมันทำไมจิตมันรู้อยู่ตามธรรมชาติของมันแล้ว รู้นี่คือพุทโธพุทโธพุทโธคือสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็คืออันเดียวกันนั่นแหละสมมุติกันเท่านั้นแล้วทีนี้นักภาวนาพุทโธสัมมาอารหังยุบหนอพองหน อ, อยังเถียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นมันไม่น่าเอาเป็นครูแล้ว เมื่อนักภาวนายังมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอยู่นี่เราเอาเป็นครูไม่ได้เด็กของหลวงพ่อคนนี้ภาวนาพุทโธคนนี้ภาวนาเยซูเมื่อจิตสงบแล้วมันนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันทำไมมันเป็นไปได้ละ่ะเราเอาข้อมูลที่มันเป็นจริงนี่แหละคนที่ยังไม่เคยอ่านคำภีธรรมะ สมมุติว่าเราปฏิบัติของเราอยู่อย่างนี้ไปเห็นยายแก่คนหนึ่งเดินซกมกซกมกไปวัดถามไปว่ายายลองภาวนาอย่างผมลองดูสิแนะนาวิธีให้พอวันหลังมาเขาไปทำแล้วมาเล่าให้เราฟังอุ้ยยายกําหนดสติตามรู้ความคิดไปไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันนิ่งสว่างเขาเล่าให้ฟังเราก็ได้ข้อมูลจากคนที่ไม่เคยเรียนคำพีธรร ม, มะมา เนี่ยคือความจริงสิ่งที่เราจะได้ความสัตย์ความจริงจากเขาเขาไม่ได้ปรุงแต่งพวกมานั่งว่าสมาธิต้องได้ฌานขั้นนั้นญาณขั้นนั้นหรืออะไรอะไรที่เขาว่ากันในเมื่อถามว่าเมื่อสมาธิถึงฌานขั้นนี้ลักษณะมันเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดญาณขึ้นมาแล้วมันมีลักษณะอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกัน อ้าวไม่รู้ทำไมว่าได้อาจารย์ท่านว่าได้อาจารย์ท่านตัดสินให้ว่าได้ยานสองยานสาอะไรว่าไปที่เรียกว่าสอบอารมณ์ในเมื่อจิตมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วมันไม่มีขั้นมีตอนหรอกแม้แต่สิ่งที่เราคุยกันอยู่ถ้ามันรู้เห็นปรากฏขึ้นมานี่มันจะไม่เรียกว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้น ไม่กำหนดชื่อไม่กำหนดเสียงไม่กำหนดขั้นตอนขั้นตอนต่างๆเนี่ยเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยากรู้เราก็ลองๆมาเนึกคิดหลักๆดูขั้นตอนเมื่อจิตของเราอยู่ระดับนี้มันเป็นอย่างนี้ระดับนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนอถ้าอยากรู้ก็ลองไปเล่าให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านชำนาญในการปฏิบัติสมาธิ ท่านจะบอกเองว่าจิตของเราผ่านขั้นไหนหรือบางทีเราอาจจะไม่ไปถามใครเราก็รู้ของเราเอง